ถ้าม่ไม่จำเป็นอย่าเพิ่งอดอย่าเพิ่งอดข้าวอย่าเพิ่งอดอาหารเรามาดูมาท ร, รมาฝึกหัดข้อวัดอะไรต่างๆซะก่อนให้มันให้ข้อวัดมันคงที่ซะก่อนอดสักเท่าไหร่ก็ได้สิบห้าวันก็ได้เลยฮะสามเดือนอดสักเดือนหนึ่งก็ยังได้เลย เรามาดูมาทำมาลายห่ผมผ้าห่มลายไปบินธบาดไปอะไรให้มันคล่องตัวซะก่อนเป็นไงสวดมนต์ได้ไหมสองนี่สองคนนี่ได้เหรอไม่ได้ยินเสียงอ่ะฮะสวดมนต์นี่คลังนะอะเป็นธรรมะที่พุทธเจ้าท่านแสดงลง ให้ภาษาพจนเนี่ยภาษาพจน ก, ก็ทรงจําสืบสืบต่บอเนื่องมากว่าจะมาถึงยุคไหนไมารู้เขาจดจารึกท่านจำเอาไว้ทั้งนั้นแหละไตรพระไตรตปิฎกท่านจำเอาไว้พระสูตรพระวินยัยพระพิธรรมท่านจำเอาไว้พวกเรามาศึกษาแต่ของที่บวชอาจารย์ท่านจําไว้ก็จะไม่หวัน่นไม่ไหวแล้วท่านจําไว้เป็นสูตรๆเลยนะเป็นปิฎกปิฎกเลยแหละ ที่พมา่านะเขายังมีการเรียนพระไตรปิฎกจนทุกวันเนี่ยมีการเรียนมีการสอบสอบชั้นนั้นเอาผ่านสอบชั้นนั้นเอาผ่านบางคนจบนะพระไตรปิฎกเนี่ยท่องปากเปล่าเนี่ยแหละไม่ใช่ไปเรียนสอบเอาชั้นเอาภูมิเฉยนะ เ, เรียนท่องจําปากเปล่าเนี่เหมือนเราท่องปฏิโมกเนี่ยอย่างพระเราทางคณกริทร ง, งจรําพระวินัยปิฎกปิฎกไปดอ ก, กหนึ่งเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่ยส่วนปฏิโมกเนี่ย พระที่ส้นจำได้ท่านสวดนี่นี่คือปีดกหนึ่งดูที่สวดฟังไม่ทันน่ะนะต้องเป็นชั่วโมงอ่ะหนึ่งปีดกหนึ่งศิลสองรอยยิบเจ็ดจำได้หรือไม่ได้จำได้เท่า น, นั้นแหละสวดมนต์ยาวๆเนี่ยท่องเรื่อยๆจำได้การท่องสวดมนต์นี่ขลังนะทำให้จิต เป็นอุบายฝึกคิดให้สงบได้เป็นอย่างดีเพราะมนีนี้มันเป็นคําธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นคําที่ท่านเรียบเรียงไว้ดีแล้วมันไม่เหมือนกับความนึกคิดเรื่อยเปื่อยของเราน่ยคิดนู้นคิดนี้คิดทุกข์คิดยากคิดลําบากคิดโลบคิดหลงคิดสารพัดคิดเสร็จแล้วก็เอาทุกข์มาให้ตัวเองคิดเสร็จแล้วก็ให้ทุกข์เอาทุกข์มาให้ตัวเองอันนี้เป็นความคิดอย่างเป็นระเบียบ ที่บราณอาจารย์ท่านเรียบเรียงไว้แล้วเ อ, เอาคําสอนของพระพุทธเจ้านะ่ยมาเรียบเรียงเอาไว้บางบางปาฐะบางปาฐะเช่นอย่างเขาเรียกว่ามุขปาฐะมุขมุขปาฐะมุขปาฐะนี่นี่เป็นคําสอนออกจ า, ากปากของพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยนะแต่บางบทท่านก็นเรียบเรียงขึ้นมาเช่นอย่างธรรมจกักรนี้อาทิตย์อนัตต์เนี้ย ท่านก็เรียบเรียงจากที่ทรงจําต่อต่อมาอย่างสมัยทังขายนาครั้งที่หนึ่งนี่พระอนอนท์เป็นคนตอบพระสูตรพระอนอนท์เป็นคนตอบพระสูตรพระมหากรส ป, ปะเป็นคนถามพระอนอนท์เป็นคนตอบพระสูตรเราจะเห็นว่าเอวัเมสุตังเอกังสมยังภักขวาอันข้าพเจ้าพระอานอนท์ได้ฟังมาแล้วได้สดับมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ บทไหนที่เป็นอย่างงั้นเนี่ยจะเป็นพระอนุนเป็นคนตอบทันั้นแหละอเขาก็เลยเอาคําเหล่านี้มาจดจารึกธรรมคําสั่งสอนของพระเจ้าจึงสืบเนื่องต่อมาถึงพวกเราพวกเราโชคดีมากอืเราได้เห็นได้ประสบพบเห็นได้ยินได้ฟังเราดูให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธามาท่องมาจำแล้วถ้าเรารู้คําแปลด้วยก็ยิ่งดีคําแปลเช่นอย่าง ที่เราสวดอาการ32นี่เนี่ยเป็นบทกรรมฐานนะเนี่ยนี่อาการ32ที่เราสวดเนี่ยเกษาผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายอุติจารชนสอนให้แยกให้แยกแยะเพื่อทำลายความเป็นก้อนเป็นแท่งเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าคนนี่เป็นคนเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นหัวเป็นมือเป็นแขนเป็นลำตัวเป็นขานี้ แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้แยกแยะละเอียดมากไปกว่านั้นอีกแยกจนหมดเห็นแต่เห็นเป็นแต่เหตุเป็นแต่ปัจจัยมารวมกันมาประกอบกันลองครูบาอาจารย์ท่านสอนกรรมาฐานเอาลองแยกไปดูที่ท่านบอกเอาผมกองหนึ่งขนกองหนึ่งเล็บกองหนึ่งฟันกองหนึ่งกระดูกกองหนึ่งอยู่เฉพาะหน้าของเราที่เรียงเป็นแถวตั้งสัญญา ตั้งรูปสัญญารูปสัญญามันจะปุดขึ้นพอเรานึกถึงผมน่สัญญาที่เราเคยเห็นบนหัวดำๆนี่มันก็อผมกองหนึ่งขนกองหนึ่งเล็บกองหนึ่งฟันกองหนึ่งหนังกองหนึ่งแยกแยกไปจนหมดทำลายความเป็นก้อนเป็นแท่งใช้สัญญาตัวนี้แหละเป็นเครื่องมือมีบทกรรมฐานจนจิตของเรานี่ได้รับความสงบคือมันคิดอยู่ในอาการสสองนี่แหละ มันสงบอยู่กับอาการสาสสองนี่แหละนี่มันเป็นการสงบอย่างได้อุบายได้วิธีพิจารณามีทั้อาการสาสองอาการสาสองของธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินยี่สิบธาตุน้ำสิบสองรวมเป็นอาการสามสิองธาตุดินกับธาตุน้ําท่านมาแยกละเอียดอีกนะธาตุลมธาตุไฟ ท่าลมลมพัดขึ้นเบื้องสูงลมลมพัดลงเบื้องต่ำลมพับพัดไปตามตัวลมในท้องลมในไส้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือท่าลมมันมีปรนเปรเป็นท่าที่ปรนเปรกายปรนปลือกายอยู่ท่าไฟก็คือไฟที่อบอุน่นไฟในกายของเรามันมีอยู่เพื่อไม่ให้ร่างกายของเรามันบูดมันเน่ามันอบอุ่นอยู่ ถ้าทั้งสนี้เขามาเกาะกลุ่มกันในอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยเขามาเกาะกลุ่มกันได้ด้วยอํานาจของกรรมเกาะกลุ่มกันได้ด้วยอํานาจของกรรมรูปเป็นผลิตผลขอ ง, ของน้ำร่างกายของเราเป็นผลผลของใจเหตุปัใจจัยใกล้ที่สุดก็คือท่า ด, ดินท่าน้ํา่าลมท่าไฟ เราเอาของเก่ามาเกิดเอาของเก่ามาจากพ่อจากแม่มาเกิดพ่อแม่ให้โครงสร้างเรามาเพราะได้มาแล้วพวกเราก็มาเสริมมาเพิ่มกันเองมารับทานข้าวน้ําโภชนาอาหารอยู่ยาเข้าไปเพื่อให้ธาตุขันตัวนี้มันเจริญงเงาะเงยเจริญงาะงามมาตามอายุตามอายุไขเนี่ย แต่โครงสร้างที่แท้จริงเราได้มาจากพ่อจากแม่เราไม่ได้เอามาจากไหนเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านเรียกดินน้ำลมไฟกับที่พวกเราเรียกเนี่ยอือพระพุทธเจ้าท่านเรียกธาตุดินก็คือสิ่งที่แข็งแข็งในกายของเราท่านว่าธาตุดินแต่พวกเราถ้าพูดถึงดินก็นู่นเห็นดินที่เราเดินเหยียบทุกวันนั่นน่ะนั่นคือธาตุดินแต่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านว่าธาตุดินก็คือทั้งดินทั้งหินทั้งต้นไม้ทั้งอะไรที่แข็งที่สุด ที่แข็งแเนี่ยท่าเรียกว่าธาตุดินนั่นแหละธาตุดินท่านให้ดูมาที่ร่างกายของเราดินก็คือเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินธาตุคาว่าธาตุก็คือชื่อของมันชื่อของธาตุชื่อของธาตุดินเป็นผมเนี่ยเป็นคําว่าผมเนี่ยมันเป็นคําสมมุติขึ้นตัวที่ไม่ไม่ไม่ได้สมมุติขึ้นก็คือตัวที่ออกมาเป็นเส้นดำดำเนี่ย คนไทยเราก็ว่าเป็นผมคนจีนก็ว่าเป็นอะไรคนฝรั่งเขาก็ว่าเป็นอะไรกันไม่รู้แล ะ, ะสมมุติเรียกกันไปแต่มันมีสภาวะอย่างหนึ่งมารองรับคําเรียกเราอยู่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟท่านให้ดูอย่างนี้แหละกรรมฐานท่นให้พิจารณาอย่างนี้ธาตุน้ําก็คือน้ําดีน้ำนํำสเลดน้ําเหลืองน้ําเลือดจนถึงน้ํามูดน้ําขูดอาการสิบสอง บางทีท่านก็แยกว่าธาตุดินยี่สิบเนี่ยเป็นธาตุของพ่อธาตุน้ำสิบสองเนี่ยเป็นธาตุของแม่เป็นธาตุของแม่ท่านก็ว่าไปท่านก็ตั้งไปท่านก็สมมุติไปแท้ที่จริงธาตุเหล่านี้มันก็ได้ส่วนผสมมาจากพ่อกับแม่ผสมกันในท้องแม่พวกเราก็มีแต่จิตมีแต่ดวงจิตดวงวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่ แล้วก็เจริญเติบโตมาวัฒนาถาวรมาเวลาเข้ามาประกอบกันแล้วนั่นแหละต่นเรียกว่าสังขารบรรดาสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเวลาเขาประกอบกันแล้วเขาจะไม่คงที่ไม่อยู่เท่าเดิมจะต้องเปลี่ยนไปจะเห็นว่าเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยจากน้ำใสๆเนี่ยที่เป็นธาตุของพ่อธาตุของแม่เนี่ยเล็กที่สุดอะ มาเจริญงอกเงยมาเจริญงอกงามโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยขยับมาเรื่อยขยับมาเรื่อยกลายเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรขึ้นมาจากน้ําใสๆเป็นน้ํำข้นๆเป็นน้ําเลือดเลือดเป็นเลือดข้นๆมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นปัญจะสาขาเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาลําตัวเจริญเติบโตขึ้นมาครบอวัยวะสามสิบสองแล้วก็ออกมาออกมาข้างนอกอือยู่ข้างในก็มีท่อลําเลียงจากแม่ สายสะดือสายรกนั่นแหละลำเลียงอาหารไปจากแม่ในระหว่างที่ลูกอยู่ในท้องแม่นี่ยแม่ต้องเลี้ยงอัตภาพสองอัตภาพหนึ่งอัตภาพตัวเองสองอัตภาพของลูกถ้าลูกสองคนก็สามอัตภาพแม่ก็ต้องเลี้ยงเข้าไปการรักษาประคับประคองดูแลทนุถนองขนาดไหนนี่คนที่ท่านเป็นท่านก็ ทราบดีแก่ใจกว่าพวกเราจะได้เจริญเติบโตเจริญเงาะเงยงอกงามมาถ้าหากมีโอกาสที่จะได้เกิดออกมาแล้วเนี่ยบางทีแกล้งให้เป็นแกล้งให้ตายยังไม่ตายนะนี่ท่านพูดถึงประวัติของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยตอนอยู่ในคันของพระนางเวเทหิเวเทหิกาเนี่ย อพระเจ้าอาชาติจะศัตรูพวกโหรพวกอะไรเขาทํานายอยู่แล้วว่าลูกคนนี้จะเป็นลูกทรพีฆ่าพ่ออืมแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยรักมากเพราะว่าเป็นพระราชโอรสก็ เ, เป็นลูกคนแรกเพรางั้นเถื่อยังไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอยู่ในท้องอยู่ในท้องของนางเวทเทหีนั่นแต่โหรทั้งหลายเขาก็ทํานายทายทักเกี่ยวกับความเป็นไปของโหเรเขว่าโอ้ลูกคนนี้จะต้องเป็นทรพีทรพี ชนพ่อเพราะ ง, งั้นเถอะนางเวเทหีนี่ก็รู้รู้อยู่พยายามไปขึ้นมา้าแล้วก็ทำเป็นทาทีเป็นตกมาให้มันแท่งมันอะไรให้มันออกให้ลูกในท้องมันตายความหมายมันก็ไม่เปลี่ยนมันออกมาจนได้ใน ต, ตอนวันที่ออกมาพยายามพิมพิสานี่ดีใจมากดีใจมาก โอ้ยเอามาอวดพุทธเจ้าอมไปอวดพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพุทธเจ้าก็เอาชาติดกมัดตรัสให้เป็นอุทารหนได้ลูกมาแล้วให้ระมัดระวังให้เลี้ยงดูให้บอกให้สอนให้อะไรให้ดีพุทธเจ้าต้องรู้แก่ใจแต่ว่าท่านพิจารณาไปแล้วเออมันกรรมของสัตว์มันกรรมของสัตว์ใครจะไปช่วยได้มีเห็นไหมคนที่ท่านรู้จริจรงเนี่ยท่านก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ ท่นไม่ได้ทําอะไรโอ้มันกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์ทําไงก็กรรมของสัตว์อเขาเกิดมาเพื่อสนองเวนีนสนองภยัยสนองกรรมกันต่อมาตโตมาต่อม า, อม า, อมาเห็นไหมก็เลยตั้งชื่อให้อัจฉริตะจศตรูบอกเป็นเป็นผู้เป็นผู้เกิดมาเกิดมาไม่ใช่ศัตรูอัจฉริยะอัจฉิยะจตรูเป็นผู้ไม่มีศัตรูเป็นผู้ไม่มีศัตรูไม่มีเวนีนไม่มีภยัย หรือเป็นผู้ไม่เป็นศัตรูไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยหรือเป็นผู้ไม่มีศัตรูไม่มีเวรไม่มีภัยอาชาติศัตรูนะลูกของพยาพิมพิสารในสุดโตมาก็ทำเอาไปทุฆ่าจริงๆเนี่ยแหละเห็นไหมไปเข้ากับพระเทวทัตพระเทวทัตนี่สลาบสการะเสื่อมเนื่องจากประชักชวนใครก็เสื่อมหมดชักชวนใครก็เสื่อมหมดอยากจะอวดอํานาจกับพระพุทธเจ้าก็เลยมองเห็น อาชาติศัตรูนี่แหละนี่แหละเด็กเป็นพระกุมารยังอ่อนวัยอยู่ยังอ่อนความนึกคิดอะไรอยู่ไปพูดให้เป็นที่ถูก อ, อกถูกใจก็จะไปได้เป็นที่โปรดปรานแล้วก็จะได้จะได้เป็นที่ช่วยเหลืออะไรต่ออะไรตามต้องการได้ตัวเหตุที่เจ้าของเนี่ยฝึกฝนอบรมมาก็ได้ฌานอย่างหนึง่งสามารถแสดงฤทธิ์แสดงเดชได้บ้าง ก็เลยแสดงเป็นงูพันแขนพันหัวพันอะไรไปเข้าไปหาเจ้าชายเจ้าชายกลัวกลัวก็ไม่ต้องกลัวอาตมาเองอาตมาเองอาตมาเองพระเทวทัตพระเทวทัตพระองค์มาทำไมมาเพื่อจะจะช่วยพระองค์จะช่วยเราเรื่องอะไรไปฟังดูในนั้นนะ่ะท่านพูดตอบโต้กันดี ในการ์ตูนพุทธประวัติเนี่ยพูดตอบโต้กันดีในที่สุดก็ใช้อุบายว่าตัวเขาเองจะพยายามปลงพระชนพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเสเองแล้วก็ขอให้เจ้าชายเนี่ยรองพระชนของพ่อจะได้เป็นกษัตริย์เพราะตอนนี้พ่ อ, อยังอายุยังน้อยอยู่เราโอกาสให้พ่อตายไปเนี่เมื่อไหรเราจะได้เป็นกษัตริย์สักทีหนึง่ง เราต้องปรงประชนพ่อแล้วขึ้นครองราชก็เลยเชื่อพ ร, ระเทวทัตเชื่อพอเชื่อพระเทวทัตอาชาติศัตรูก็น่าจะน่าจะมีกําลังด้วยมีบริษัทบริวารก็เลยให้จับพระยอดพิมพิสารนี่ขังจับพระยอดพิมพิสารขังทีแรกก็ให้เอาข้าวปลาอาหารไปให้สเสวย อ, อยู่ ต่อมาต่อมาโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้มันนานตายนานตายแล้วเกินก็เลยไม่ไม่ให้ไปเยี่ยมด้วยไม่ให้เอาอาหารไปให้ด้วยไม่ให้เข้าไปเยี่ยมด้วยถึงขน้นก็ตามนางเวเทหีนี่ก็ได้เวลาก็ไปเยี่ยมบ้างอ่ายังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมได้บ้างเอาข้าวละเอียดทาตามตัวไปแล้วก็ไปให้พระเจ้าพิมพิสารนี่เรียเอารสชาติของอาหารอ่า ขังถูกขังอยู่ในคุกจับพ่อตัวเองไปขังอต่อมารู้ว่ามีอยู่อย่างนี้ไม่ให้เยี่ยมพอมาให้เยี่ยมพระเจ้าพระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นอยู่ด้วยการเดินจงกรมนั่งภาวนาเดินจงกรมนั่งภาวนาเนีก็เลยให้เขาไปดูว่าเอ๊ท่านมีชีวิตอยู่ยังไงว่าท่านเดินเดินนังน่งนังน่งนั่งจงเดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่นั่นแหละก็เลยลเสั่งให้ช่างกะลาบอกาไปปาดเท้า ปาดพระบาทนั่นนะแล้ว เ, เกลือทาโอย <laughs> เราดูที่คนมนุษย์นี่มันร้ากาศไหมมนุษย์นี่ร้ากาศหรือไม่ไร้ากาศปาดเอามีดโกนปาดแล้ว เ, เกลือทาแล้วเป็นไงโอ้โหอก็เดินไม่ได้แิก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงเหียวล ง, วล ง, วลงไม่นานก็ตายสวรรค์วันเดียวกันนั่นแหละอืม เป็นวันที่ไอชาติศัตรูเนี่ยพระราชาโอรสคนแรกเกิดาอามาตก็เลยจเจ้าเรื่องม า, ม า, ม, ามาทูลพอตอนนี้ตอนนี้จับพ่อขังเจ้าขอก็เป็นใหญ่เลยเด้จับพ่อขังเจ้าของก็เป็นใหญ่ปกครองแทนแล้วเขาก็เลยมามากล่าวเอ๊จะจะจะทูลเรื่องอะไรก่อนจะทูลเรื่องพ่อสวรรคตก่อนหรือจะทูลเรื่อง พระโอรสประสูตรก่อนก็เลยก็เลยว่าเออแล้เห็นพ้องกันว่าให้บอกว่าให้ให้ทูลว่าพระโอรสเกิดก่อนเขาก็เลยไปบอกว่าตอนนี้พระโอรสมีพระโอรส ป, ประสูตรแล้วเป็นพระโอรสนะโอ้ดีอกดีใจอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่นีรากลูกขึ้นมาทันทีลูกคนแรกเด้ลูกของัชาติศัตรูเนี่ยพอหลังจากนั้นมาก็มานึกถึงพ่อ ต, ตัวเองเนี่ยเอาพ่อไปขังไว้ก็เลยมานึกถึงพ่อเลยให้เขาไปดูเพื่อที่จะปลดปล่อยพ่อไปที่ไหนได้เขาก็บอกพ่อก็เสียไปแล้วอ่าสวรรคตรไปแล้วเสียอกเสียใจตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นไปเริ่มสำนึกตัวได้แล้วตอนนี้เรามาเห็นว่าตัวเองรักลูกขนาดไหนเพียงใดก็มานึกถึงพ่อก็คงจะรักเราเหมือนกับอย่างที่เรารักลูกนี่แหละ นี่เขาว่าลูกบางคนนี่มาระลึกได้ต่อเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วลูกบางคนระระลึกไดต้ต่อเมื่อพ่อแม่ยังอยู่ยังได้ช่วยนู่นช่วยนี่ได้ลูกบางคนมาระลึกสำนึกได้ต่อเมื่อพ่อแม่ล่วงไปแล้วคือประเภทของโลูกที่ที่ฉลาดมากฉลาดน้อยมันเป็นอย่างนั้นนะพระเทวท่านก็เอ้ยพระไอชาศัตรูก็เสียอกเสียใจมาตั้งแต่บัดนั้นเลมา ก็เลยไม่เป็นตาสบาย อ, อกสบายใจเลยอยู่แล้วอยู่ต่อมาพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบซะอีกอาชาตัตรูก็ยิ่งทุกทรมานใจใหญ่เลยแหละใจใหญ่เลยแหละตอนนี้อ่ก็เลยปรึกษากับหมอชีวกปรึกษากับหมอชีวกหมอชีวกก็เลยพาไปกราบพุทธเจ้าพุทธเจ้าอยู่ที่อัมพวันเรามาคิดดูตอนนั้นน่ะอาชาติตรูเนี่ย คงจะไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเลยนะทั้งที่พระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นพระโสดาบันยังไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเลยก็เลยมาระลึกได้ว่าอเรานี่ไปคบคนชั่วไปคบพระเทวทัตพอพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบเจ้าของยิ่งกลัวหนักเข้าไปอีกกลัวแผ่นดินจะสูบอ่ะเลยมารำเพึงรำพันก็เลยหมอชี่ยวก็เลยพาไปกราบพระพุทธเจ้าจากนั้นมาก็รักคารพ บ, บูชาพระพุทธเจ้าอย่างสุดชีวิตจิตใจเลยเลย โอ้ยเรานี่คบคนผิดแล้วนะพระองค์เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐถึงขนาดนี้เราไ ม, ม่มีไม่มีโอกาสได้เข้ามาเกี่ยวข้องได้เข้ามารู้มาเห็นได้มาได้ยินได้ฟังอัดรมเลยไปคบกับคนชั่วจนเป็นเหตุให้ทำปิตุขาดฆ่าพ่อของตัวเองหลังจากนั้นมาหลังจากนั้นมาแตอ่อาชาติศัตรูเนี่ย ยังอยู่ยังดูแลตอนตอนช่วงที่พระรุ่นเจ้ายัางท่านยังยังมีชีวิตอยู่นะไปกราไปอะไรแต่อะไรไปฟังธรรมไปฟังอะไรก็ทำทำมาพิสมัยแทนที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้เพราะบาปก ร, รมมันหนักหนาสหาหัสมากบาปก ร, รมมันหนักหนาสหาหัสมากออยู่มาแต่ตอนตอน พุทธเจ้าปรินิพานเนี่ย อ, อ, อยู่ที่เมืองราชยครึ๊นี่พระเจ้าอาชาติศัตรูนี่เป็นกษัตริย์ครองเมืองราชยครึ๊แต่พุทธเจ้าท่านไปปรินิพานที่เมืองกุสินาราเนี่ยมันคนละเมืองเพราะเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงไม่ได้กล่าวถึงไม่ไม่ได้กล่าวถึงอาชาติศัตรูกล่าวถึงอาชาติศัตรูตอนที่พระสงฆ์ทมสังขยา ที่เมืองราชครื้นั่นแหละนี่เราไปคราวที่แล้วเราได้ไปดูถ้าสัตตะญญัติคูหาซึ่งเป็นที่ทำปฐมสังขายนามีพระสงฆ์ร่วมทำทำสังขายนาเป็นปฐมสังขายนาห้ารอยงค์มีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นทําที่เขาเวพาระบัรพจน์นี่เราไปเมื่อเราไปเดือนธันวาที่แล้วเราได้ขึ้นไปสูงนู่นอยู่ข้างบนตโปธารามนั่นสูงมากเลย สมัยแต่ก่อนว่าทําสังขั ย, ยนาอยู่บนนั้นแหละพระอราหันห้าร้อยองค์อยู่ในนั้นแต่ตอนนี้เราไปเหลือแต่เงืเ่อนเฉยๆเหลือแต่เงื่อนนาผาที่เป็นถ้ำเป็นไรน่าจะพังลงไปหมดแล้วแหลอะอแล้วก็เหลือแต่เป็นรูเป็นช่องเข้าไปคนก็ยังเลื่อมใสายศรัทธาพวกพระพม่า พ, พระอะไรไปสวดมนต์ไปอะไรอยู่ในนั้นเหมือนกับเสียงอึง่งอยู่ในรูน่ะลึกๆเข้าไป น, ะนี่ที่เมืองราชครื้ มีพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นอุปธรรมอุปถาคทำอยู่เป็นเวลาถึงกี่กี่เดือนเจ็เดือนทำบทพรมสังขยนาเนี่ยพระสงฆ์ห้ารอรูปพระยาพระยาอาชาตศัตรูเนี่ยอุปธรรมอุปถาอย่างสุดชีวิตจิตใจเลยวังเงินน่ยฝากเป็นฝากตายกับงานบุญงานคุณเลยแหละตอนนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงกล่าวคติของพระอาชาติศัตรูว่าไม่ได้ลงอเวีจีมหารกเหมือนพระเทวทัตเพราะ ได้ทําปฐมสังขายนาซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากจึงเป็นเหตุช่วยให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยตกนรกแค่โลหะกุมพีเท่านั้นเองไม่ถึงอเวจีปกติอนันตริยกรรมเนี่ยต้องลงอเวจีมหานรกแต่ด้วยเหตุที่งานนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากก็เลยสามารถไปตัดไปทอนบาปกรรมชั่วช้าเร็วซ้ำ ต่ำช้าถึงขนาดนั้นได้ขยับขึ้นมาเลยตกแค่โลหกุมพีนี่เราพูดถึงประวัติของคนคนไม่ดีคนทำบาปทำกรรมเสร่จแล้วก็เวลาทุกข์เวลาเดือดร้อนน่ะถึงจะรู้สึกสำนึกตัวเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำสิ่งใดก็ตามให้พิจารณาให้ใคร่ครวญให้ดีเดินตามหลังกิเลสต้อยตๆยอย อ, ย อ, ยอยรรหรือเปล่าหรือเดินตามธรรม ถ้าเราเดินตามธรรมเราก็ตายใจได้แต่ถ้าเราเดินตามกิเลสมันหลอกมันล่อมันลวงเราสารพัดให้เราหลงกลโนบายหลงมายาเขามันพอเราลงมือทําไปแล้วอ้าวมันล่วงเป็นกายกรรมไปแล้วมันเป็นไวจีกรรมไปแล้วมันเป็นมโนกรรมไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้สิ่งที่มันล่วงไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้บาปกรรมที่เราทําไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ มีแต่เราทําใหม่ทาเพิ่มให้มากมากกว่าเดิมเพื่อจะได้เพื่อใจของเราจะได้เป็นกําลังจะได้มีกําลังกรรมที่มันจะตามมาสนองกับบาปกับกรรมที่เรามีในเมื่อเรามีบุญมากจิตใจของเรามีบุญมากก็ <c oughs> เหมือนกับเรามีกําลังมากเหมือนกับเนื้อที่มันมีกําลังมากมันสามารถวิ่งวิ่งหนีสุนัข สุนักวิ่งตามไม่ทันเพราะมันมีกำลังกำลังในจิตของเราที่กรรมมันตามไม่ทันก็คือกำลังบุญนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทำบุญให้มากๆทํทำเหมือนพระเจ้าอาชาติสัสตรูนทำเอาเป็นเอาตายจนเป็ น, เ ป, นเป็นการลดหย่อนผลผลบาพกรรมได้ถึงขนาดนั้นอย่าลืมว่าพลังบุญนี่เนี่ยคือพลังทำให้เราถีบตัวไปทำให้บาปกรรมที่มี ฤดเดชไม่รุนแรงนะักตามเราไม่ทันทีเพลื่อทีเพลื่อขยับเพลื่อขยับเพลื่อขยับเพลื่อเหมือนกับสัตว์ที่มันมีกําลังก็มีเรี่ยวแรงโดดย่องยง่องยง่องย่องไปสุนัขตามไม่ทันแต่ตราบใดที่เขาอ่อนแรงอ่ อ, อนลงอ่ อ, อนลงสุนัข ก, ก็ใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้กลนนเข้าไปสักหน่อยนึงก็งับนี่ท่านเปรียบเทียบเหมือนกรรำของใครของเรานี่แหละถ้าหาใครทําความดีน้อยคนนั้นก็กําลังจะเริ่มตกละเหมือนกัเหมือนกับสัตว์ที่กําลังมันหมดนั่นแหละ มันเริ่มตกเริ่มตกเริ่มตกสักน้อยหนึ่งสุนัขงับนี่ท่านเปรียบเทียบกรรมที่มันควรจะให้ผลกรรมชั่วที่มันควรจะให้ผลในเมื่อกรรมดีของเราอ่อนกําลังลงกรรมชั่วดาโอกาสกรรมชั่วก็สวมปับ๊บให้โทษทันทีนี่คือการทําคือการที่กรรมให้ผลเพราะฉะนั้นจึงไข่ครวญให้ดีแล้วค่อย ทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจรักษากรรมตัวเองให้บริสุทธิ์รักษาใจตัวเองให้บริสุทธิ์นั่นแหละคือรักษากรรมตัวเองให้บริสุทธิ์ถ้าเรารักษาไม่ได้มันทลักออกมาทางกายทำลงไปแล้วเป็นกายกรรมมันทลักออกมาทางวาจาทำไปแล้วมันเป็น ว, วจีกรรม เป็นวิจีกรรมที่ปนเพื่อนมีบาปมีกรรมเป็นกายกรรมที่ปนเพื่อนเป็นบาปเป็นกรรมท่านจึงให้ระ ม, มัดระวังให้ดีอันนี้เป็นวิถีทางของชาวพุทธถ้ารู้เราเข้าใจข้อนี้เหล่านี้แล้วจะทำให้เรามีความสนใจเรื่อ ง, อ, ง, อ, งรร อ, อะไรคือข้อดีอะไรคือข้อเสียอะไรคือทางถูกอะไรคือทางผิด หนทางที่เราจะพึงเดินมีมากมายมหาศาลที่เราจะพึงก้าวไปเหมือนอย่างเราหลับตาก้าวเท้าไปเนี่ยการหลับตาก้าวเท้าไปไม่รู้มันจะไปเหยียบอะไรก็ไม่รู้แหละการหลับตาก้าวไปเหมือนอย่างเราใช้ชีวิตจิตใจแบบไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาเมือ่อกหลับตาเดินไม่รู้มันไปตกหลุมตกหล่องตกควากตกน้ําตกอะไรสารพัดล้วนจะเป็นอุปสรรคอันตรายรอบด้านทั้งนั้น ไม่รู้มันจะก้าวไปตกอะไรตรงไหนยังไม่รู้ตกคอหักตายตกอะไรทิ่มแทงตายลงขวากลงหนามลงเหวสรรพัดมันพร้อมที่จะเป็นไปนั่นแหละท่านเปรียบเทียบเหมือนกับคนตาบอดหรือเป ร, เปรียบเทียบเหมือนกับคนเดินหลับตาเหมือนกัเราหลับจิตหลับใจหลับสติหลับปัญญาไม่เอาสติเอาปัญญามาใช้ให้อวิชชามันครอบงา ใหชีวิตของเรามืดมิดปิดถาวรปิดทวาวรปิดกายปิดใจเพราะฉะนังคุณศาสนาจึงมีคุณค่าสลับเหมือยใจคนที่เห็นคุณเห็นเห็นคุณของศาสนาเห็นโทษของความทุกข์ทรมานอยู่ในโลกพระศาสนาก็ย่อมมีคุณสลับคนคนนั้นเป็นโอกาสดี เป็นโชคดีเป็นโอกาสดีมีโอกาสได้ฝึกฝนได้อบรมอะไรเป็นเป็นสริอะไรเป็นมงคลอะไรเป็นอ่านเป็นธรรมเคารพรักเลื่อมใสศรัทธาตั้งใจฝึกฝนอบรมควนขวายฝึกหัดเอาเป็นเอาตายเพราะสิ่งนี้เป็นเสบียงเป็นทรัพย์ภายในทำได้มากเท่าไหร่ตายแล้วไปด้วยกันทำได้มากเท่าไหร่เป็นของเราทั้งหมดตายแล้วไปด้วยกัน ทำมากน้อยเท่าไหร่เป็นของเราทั้งหมดตายแล้วไปด้วยกันไปด้วยพลังของบุญของกรรมนี่แหละแต่ถ้าตรงกันข้ามก็จะไปด้วยพลังของบาปของกรรมไปทุกทรมานไปเดือดร้อนก็เหมืนอนพระเทวทัตเ ด, ดือ ด, ด, ดร้อนนั่นแหละอยู่ในเวจีมหานรกเขาเปรียบเทียบมีไฟสีทิศพุ่งเปลวก็ใส่แดงโร่อยู่นั่นแหละตัวก็ดแดงโร่เหมือนเขาเผาเหล็ก ทจะทุบตีเป็นมีดเป็นเสียมนี่ยแหละแต่มันก็ไม่ตายมันก็ถูกกรรมเลี้ยงเอาไว้แต่จิตใจมันทรมานอยู่อย่างนั้นแหละยังไม่จบไม่สิน้นไม่รู้กี่กับแหละอยู่ใน เ, เวจีมหานรกนะี่แล้วก็พ้นจากนั้นมาแล้วไม่ใช่จะมาอุบัติได้เลยนะมันต้องค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยผ่อนโทษมาเรื่อยผ่อนโทษมาเรื่อยผ่อนโทษมาเรื่อยผ่อนโทษมาเรื่อยกว่าจะมาขึ้นมาถึงกว่าจะพ้นเพศภาวะของความเป็นสัตว์นรก โอ้มารู้เท่าไรแล้วพระเจ้ามาเกิดตั้งกี่พระองค์เราก็ไม่มีโอกาสที่จะพบดอกมอัวแต่ไปฝังจมอยู่ในหลุมหลุมนรกนั่นแะนี่จึงเป็นเหตุหน้ากกรวเราพออยู่สุขสบายอยู่บ้างก็เพราะอาศัยอำนาจบุญตั้งใจทำตั้งใจเสียสละอดหลับอดออดหลับอดนอนอาจจะเสียงเป็นเสียงตายอยู่บ้างแต่เพื่อบุญนี่ ดีกว่าเราไปเสียงเป็นเสียงตายเพื่อบาบวันนี้พอสมควรแก่เวลานสามทุ่มพอดีเอาละเก้าครับปุณนีพระเราก็มาอุโบสถนาพระใหม่ก็ดูดูแสดงอบัตรเอาไว้แล้วก็มาหมายทันตีสีหัดลุก ใครอยู่ใกล้ๆผ้าใหม่ก็ไปเรียกด้วยไปเรียกกันด้วยถ้าเราไม่เรียกตอนนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วเราต้องวิ่งไปเรียกนะเสียเวลาเรามาแล้วก็บอกตั้งแต่ตอนนั้นเลยบอกแล้วก็คอยดูอยู่นั้นแหละเพราะบางทีเรียกขานอยู่อาจจะหลับต่อก็ได้ฮะช่วยดูกันใครอยู่สายไหนใครอยู่สายไหนก็บอกกัน มันเป็นช่วงที่รรหวางเราปรับตัวมันเป็นธรรมดาบางทีการหลับการนอนมันไม่ถูกเวลามันก็ลำบากกันนะคนที่เคยฝึกมาแล้วมันก็อยู่สบายอยู่ได้สบายเอสมชายได้ยวสมชายเขาจะมารับพระเนี่ยฮะถ้าเขามารับจริงๆริะทำไงนี่ ตัลกพระเราทั้งหมดนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ใครได้นับบ้างฮะสามสิบห้าลสงสัยเพิ่นขาดพระหนึ่งองค์แล้วเพิ่นกำลังทำศาลาด้วยเพิ่นคงจะอยากได้กระถิ่นนะทำไงทำไมคิดง่ายปีนี้มา ให้ท่านสาธิตขอพระให้นะเราแต่ไหนแต่ไรเราก็ไม่เคยคิดจะให้พระไปนู้นไปนี้นะนี่ตั้งแต่มารับพัดหมอปีร้อนี่ก็เลยให้พระไปอา้าวเห็นทางนู้นไปทางนี้ก็ขอบ้างนี่ปีที่แล้วในะอำเภอมาขอเนี่ยปีแล้วก็ไม่ไม่พอพอปีนี้อา้าวขออีก อยู่โน้นปีนี้ปีที่แล้วก็ <c oughs> ก็ไม่พอมันก็ไม่อยู่มันจับปูเสียกระดองมันก็ต้องเอาไปอีกถ้าเป็นอย่างนี้ทุกปีทุกปีก็ไม่ไหวนะมันผิดธรรมเนียมหลงตาหลงตาท่านไม่เคยให้ใครไปไหน่ไม่ให้ไปนะแม้แต่เราบรรพชนมาขอไม่รู้เท่าไหร่แหละตอนหลวงปู่เขียนอมาพาสเนี่ยท่านก็ไม่บอกให้ไปนะให้พิจารณาเดเามาศึกษาแล้วนะี่ย เขามาขอหลายครั้งแล้วเนี่ยให้พิจารณาเด้อเรามาศึกษาแล้วท่านพูดแค่นี้แหละ <c oughs> ไปกเรื่องของเราไม่ไปกัเรื่องของเราโอ้โหโอ้ยสายลุกตาเป็นงั้นหละท่านเอาปริปรทานหลวงปู่มานั่นแหละหลวงปู่มันไม่เคยใครไปไหนดอกท่านว่า ง, งั้นนะให้เราทําไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะ ดูไปอีกทีก็สงสารแล้วเกินหมูเน่ะหาแต่พระแค่นั้นก็หายากกว่าของอะไรตามร้านค้านะ่ะร้านค้ามีเงินมีทองไปซื้อเอาซื้อเอาเท่าไหร่ก็ได้เอารถไปขน้นเอาเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่มีอ่ะหายากกว่าแกแหวนเงินทองเองน่ะแต่บางองค์ท่านก็ไม่กระตือรือร้นไม่เดือดร้อนอยู่หนึ่งองค์สอง 3, องค์สามองค์ท่านก็อยู่ของท่านไป จะบางองค์ท่านจำเป็นเน่เหมือนอย่างท่านสวยเนี่ยพอดีท่านสวยปีนี้เขามีนาคสองาบวชไปแล้วก็จะเป็นหกไม่งั้นจะคาคอเราอีกแหละเพราะเราเป็นคนหา ก, ก็ะถินให้เขาท่านสวยก็ยังมีนาคสองนี่จะบวชวันพรุ่งนี้เนี่ยบวชสองก็เป็นหกเมื่อวานเขาไปเราว่าจะไปดูสลาเขาคิดว่าเขามุงเสร็จแล้วสลาน่ะไปที่ไหนได้สั่งก็เบื้องก็เบื้องทำยังไม่เสร็จ อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์น่ะถึงจะได้แต่คิดว่าเขาคงจะได้มุงจนได้ใช้นั่นแหล ะ, ะเพราะว่าช่างเขาทำอย่างค้างคาอยู่ลังคาอย่างน้อยสลาลัางคาเสร็จก็ได้พักได้ใช้กันโอ้เป็นหลังใหญ่พสอสมควรอยู่นะสวยงามเป็นสลาชั้นเดียวหลังคารวดเหมือนเหมือนของเรางี้แหละไปใช้เหล็กทียุบเลยเนี่ย ใช้เหล็กที่ยิบเหมือนเราใช้มาอย่างนี้เลยเหล็กหน้าหกซะด้วยนะโอ้โหน้ำหนักไม่ธรรมดานะแต่เสาเขาห่างเสาห้าเมตรห่างกันห้าเมตรกว้างเท่าไรยาวเท่าไรไม่รู้พระได้ยินว่าให้เขาแกะพระหินที่เมืองนู่น่ะทีอ่อะไรเนี่ยชนบุรีนะ่ยอ่างอะไรนะที่อ่างศิลาที่ชนบุรีเนะ่ยได้ยินว่าจะเสร็จธันวาโน่น จ็ทันวาก็ไม่ทันกรถิ่นดอกเจ็ดทันวา่าไม่ทันก็ไม่เป็นไรใ ห, ให้ชาวสิงคโปร์มาหลายหลยครั้งมามาทําบุญมาร่วมบุญอีกครั้งหนึ่งตอนพระก็ได้มาตอนกระถินก็ได้สิงคโปร์เงินแพงอ่ะหนึ่งบาทเราหนึ่งหนึ่งดอเขาของเรายี่สิบกว่าบาทนะ เงินแพงอ่ะยี 22, ่สิบสองยิบสามมั้งท่านท่านจะรัดกับท่านแขกผมก็ไม่ได้คุยเลยแหละเพราะเมื่อวานก็ออกไปแต่เช้ามืดเราก็สงสารหมูนะเราให้ไปไม่ใช่เราให้ไปเหมือนไปทิ้งไปคว่างนะเราก็สงสารเราก็ดูแล้วคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นเออเออคนนี้เออคนนี้เหมาะกว่าคนนั้นเหมาะกว่า เราก็ให้ไปอย่างนั้นไม่ใช่ใครยกมือก็ได้ไปนะเราก็พิจารณาดูเราก็สงสารหมูเอาวันนี้ยุติแค่นี้แหละเอากลับ